อัจงลลับตาฝันเป็นตัวมิตะเตือนกันมา และก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรามพระราชาเมื่อพระราชออราอรรถและท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางไปถึงงคเมืองชายแดนที่ยึติดกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือหรือแคว้นของพระราชบิดาของพระราชาเกกะเกเลยแล้วด้วยความที่จาหนังสอนมันก็จะมีอัธยศัยทำอะไรทำจริงคือคิดเร็ว คิดแล้ทําเลยโดยพลังเลและก็มีความละเอียดถี่ถ้วนเลได้เองท่านทั้งสองจึงไม่รอช้ า, าได้เริ่มปฏิบัติภารกิจที่สำคัญคือการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปในหัวเมืองแห่งนั้นในทันทีเลยสําหรับกลยุทธ์แรกในการแก้ไขปัญหาไปในหัวเมืองแห่งนั้นธรรมาเสนาบดีก็ได้เรียกสายข่าว ท่านส่งไปหาข่าวในพื้นที่แต่ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงเพื่อมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้องพวกชาวบ้านซึ่งจะทำให้ทั้งพระราชรถและท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าสาเหตุที่ทําให้พวกชาวบ้านพากันออกมาประท้วงนั้นะ แต่นี้ก็เป็นพ ร, ะราะทางราชการได้แบ่งสรรปันส่วนที่ดินทำกินให้กับพวกชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อพระราชาอรลได้รับทราบข้อมูลจากสายค่าวท่านมหาเสนาบีแล้วพระราชาอเลสก็ได้ใช้พระราชอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากพระราชบิดาหรือพระราชากนะ็สั่งให้เรียกเจ้บรรชาการการที่ดูแลหัวเมืองแห่งนั้นมาทำการสอบสวนในทันที สำหรับวิธีการสอบสวนเหล่าข้าราชการที่ดูแลหัวเมืองแห่งนั้นน่ยพระราชอรักับท่านมหาเสนาบดีก็ะเดิดทํางานร่วมกันแบบสองประสานคือมีตั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญได้พระราชออรัจะทรงทําหน้าที่เป็นฝ่ายบุญในการใช้วิธีการสอบสวนอย่างนิ่มนวลละมุนละไมแบบบัวไม่ให้ช้าน้ําไม่ให้ขุนคือพระองจะทําการสอบสวนได้ท่าทิติรมชอม คลอมเปอมไม้หระปณีปนอมอย่างยิ้มแย่มเยียกเย็นแล้วก็ยืดยุนไปรายการเหล่านั้นยอมคายความรับออกมาแต่โดยดีส่วนถ้ารายการกนใดมีพิรุษใจยังทำเป็นปากแข็งพะเราเราก็จะทรงต่อรายการพวกนั้นไปให้ฝ่ายบุ หรือท่านหมาเสนาบดีเป็นคนสอบสวนแทนทันทีซ oh. ึ่งท่านหมาเสนาบดีก็ถนัด <c oughs> <c oughs> จะทำการสอบสวนพวกรายการปากแข็งเหล่านั้นแบบวัน by วันหรือสอบสวนเดียว oh. ชัดไหมโ uh. <c oughs> ดยจะใช้วิธีการกดดันหรือคอมโค ทั้งทางวาจาและกำลังแ oh. <c oughs> วดขวราการเหล่านั้นบอกข้อมูลที่แท้จริง <Yeah. S 1> ซึ่งหลังจากทิพระราอุรสธรรมหาเสนาบดีได้ทำการสอบสวนพู้ขรารการที่ดูแลหวเมืองแห่งนั้นเสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนั้นสองก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่าคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากมา หรว่าเป็นอภิมหาคอรับชั่นโปรเจกต์เลยก็ว่าได้อ oh. <c oughs> ีกลาชันนี้ก็เป็นพระคดีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคนและก็มีหลายหลายหัวเมืองที่ทําการททจริตคอรับชั่นแบบนี้ oh. อีกทั้งคดีนี้ยังมีการสาวโยงใหญ่ไปถึงข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในเมืองหลวงอีกด้วย oh. พระราชโอรสทรงเริมข้อมูลเกี่ยวกับการททจริตคอรับชั่น ระดับพิมหาก็รับชันโปรเจกต์แล้วนี่เนาะแล้วก็ส่งรับสั่งให้จับกลุ่มตัวผวกกระทำการที่มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปลงโทษตามความผิดแต่้นเวลงอง่อมาส่งทําการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําความผิดต่อไปอีกซึ่งในตอนนั้นตัวท่านเจ้าเมืองซึ่งยังไม่ถูกสอบสวนก็เกิดความรู้สึกกร้อนร้อนห น, หนาว ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดไส้เป็นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลต่าง ๆ, ๆมันเริ่มเชื่อมโยงำคำคล้ายๆตัวองท่านจะเมืองมากขึ้นไปไไเรื่อยๆและริงท่านจะเมืองได้เห็นพระราชาอรสต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนอย่างเอาจริงเอาจังเช่นนั้นท่านจะเมืองพอที่จะรู้จัตตาตรองตัวเองแล้วอกคราวนี้เห็นที่จะงานเข้า ออได้เกิดความเดือดล้อกับตัวเองอย่างแน่นอนเลยเ <Yeah. S 1> มื่อเป็นจริงที่ท่านใจเมืองจริงได้ตัดสินใจกับมอบตัวพระราชรถในทันทีถ <Yeah. S 1> ึงท่านจำเมืองก็ได้สารภาพความจริงแบบหมดเปลือก <Yeah. S 1> ว่าทัานแสนนาบดีเนี่ยผู้ชอดชน <c oughs> ที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยจะ้ะแต่สั่งการไปยังเจ้าเมืองที่อยู่ในเขตหัวเมืองต่างๆว่าให้จัดสรรที่ดิน ทำกินผืนใหม่แก่พวกชาวบา้านโดยให้มีการคิดค่าภาษีล่วงหน้ารวมเข้าไปด้วย<อ>เมื่อตัวท่านมาถึงท่านจังจเมืองที่ออกมารับสารภาพจะรับคําสั่งจากท่านเสนาบาดีมาแล้วคราวที่ตัวท่านดูความโลภเขาครอบงําจิตใจได้เห็นเองตัวท่านจึงได้จับมือร่วมกับพวกเศรษฐีในเมืองที่ก็อยากได้ที่ดินเพิ่มเติม แล้วก็ร่มกันวางแผนกองกินที่ดินทำกินของพวกชาวบ้านสำหรับแผนการกองกินที่ดินทำกินของพวกชาวบ้านนั้นเออดูรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ค่อยมีอะไรใหม่เนาะ <Yeah. S 1> ตัวท่านจำเมืองท่านนี้จะให้พวกเศรษฐีสองคนของตัวเองหรือพวกชาวบ้านตัวแทนของตัวเนี่ยจะมาจับจองที่ดินทำกินเอาไว้ เจ้าท่านเจ้าเมืองท่านนี้ก็จะขายและจัดสรรที่ดินเหล่านั้นให้กับคนของพวกเศรษฐีก่อน oh. ได้เห็นเองจึงทำให้พวกชาวบ้านทั่วๆไปได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมคือได้รับการจัดสรรที่ดินไม่เท่ากับขนาด mm. พื้นที่ที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก mm. นั่นเองนี่นะจ๊ะจหลังจากที่ท่านเจ้าเมืองท่านนี้ได้รับเงินมาแล้วท่านก็ได้ส่งเงินส่วนหนึ่งไปให้กับท่านเสนาบดี ผู้ชอชนในเมืองหลวงแล้วก็ยักยอกเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าตัวเองหัวคิวหัวคิวสดใสเท่านจำเืองท่านนี้มาสารภาพความจริงทั้งหมดกับพระราชอรสนั้นตอนนี้ก็เป็นพระความกลัวอีกทั้งท่านจำเืองท่านนี้ต้องการที่จะเป็นบาญชีตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คืกรถูกกันเป็นพยานนี่แหละของกระบวนการทุจริตคอรับชันในครั้งนี้อีกด้วยรพระราทธจอรรถได้ฟังข้อมูลที่แท้จริงจากท่านจำเมืองท่านดีแล้วแล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านจำเมืองเนี่ยไม่เข้าข่ายขอบุคคลที่จะเป็นพยานได้เนื่องจากท่านจำเมืองไม่ได้มามอบตัวด้วยความ ร, รู้สึกผิดแต่อย่างใด แต่การที่ท่านจะเมืองมามอบตัวนั้นก็เพราะท่านจะเมืองเห็นว่าเรื่องเดือดร้อนกําลังจะมาถึงตัวเองอย่างแน่นอนหาทางเอาตัวรอดไงได้หเหน้พระราชาจึงรับสั่งให้จับกุมตัวท่านจะเมืองมาลงโทษแต่ด้วยความที่ทําให้การท่านจะเมืองเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีซึ่งสองผลทำให้พระองค์สามารถจับกุมตัวกลุ่มเศรษฐีขี้ชอบและพรกพวกในแบบยกแกง๊ง แต่งับท ร, ราชองกาจริงทรงรับสังให้จับกุมเฉพาะท่านจำเมืองแต่เพียงคนเดียวส่วนครอบครองท่านจำเมืองก็ถือว่าไม่มีความผิดซึ่งความผิดตามกฎหมายในยุคนั้นสามารถจะจับกุมมาลงโทษได้ทั้งครอบครัวคือผิดเพียงหนึ่งก็จับได้ทั้งครอบครัวเราถือว่าเป็นการกระทําการทุจริตต่อพระราชาประมาณว่าถ้าเป็นหนังจริงก็ถูกตัดหัวเดชั่วคน oh. <c oughs> ไปลังจาก เราลดทรงทราบเรื่องราวความจริงทั้งหมดแล้วลุมองทรงจัดสรรที่ดินคืนให้กับพวกชาวบ้านอย่างเป็นธรรมโดยพระปรีชาสามารถและความเจริญของพระราชโอรสกอบกับความสามารถระดับซูเปอร์หัวกะทิและความละเอียดรอบครอบในการสืบหาข้อมูลท่านมหาเสนาบดีนี้เองจึงทําให้เรื่องราวความเดือดร้อนที่เกิดกันในหัวเมืองแห่งนี้สงบและ เรียบร้อยลงไปได้เพระหนึ่งทีเดียวนี่เนาแต่ว่าเรื่องราวความวุ่นวายยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้จิเป็นเช่นนี้ก็เป็นพระเมื่อพระราชโอรสทรงทำการเสอบสวนอย่างละเอียดมากเข้ามากเข้าแล้วก็ทรงพบว่ากลมพวกชาวบ้านที่เศรษฐีจ้างวานเนี่ยมาจับจองที่ดินทำกินนั้นบางคนก็ไม่ได้เป็นคนของแคว้นนี้ นี่แหละจ้ะแต่เป็นคนที่แอบเข้ามาจากแคว้นอื่นนี่ตรงนี้เนาะอีกทั้งพระองยังส่งสืบสวนยังได้ทราบข้อมูลเชิงลึกอีกด้วยว่ามีเสนาบดีบางคนที่เกี่ยวกับขบวนการพิมหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ดเดแหเดงพระราชโอรสจึงได้ส่งเรื่องนี้ไปยังส่วนกลางเพื่อดำเนินการ ส, รสืบสวนสอบสวนต่อไปในทันที ซึ่งจากการทํางานเริ่มการของพระราชอรสและท่านมหาเสนาบดีในกําลังนี้ก็ทําให้ทันมหาเสนาบดีเกิดความรู้สึกรักและศรัทธานในตัวพระราชอรสมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแบบมกัมกๆและในขณะเดียกันพระราชอรสก็ทรงรู้สึกพอพระทยัยและทรงเชื่อมั่นในการทํางานของท่านมหาเสนาบดี เนื่อจาพลองได้ทรงเห็นหนังความมุ่งมั่นตั้งใจและเหนหนงความละเอียดรบอบคอบในการแก้ไขปัญหาของท่านมหาเสนาบดีนั่นเองนะจ๊ะถึงแม้ว่าพระราชรถหรือพระราชอาวุที่ออกโบสช์และท่านมหาเสนาบดีจะเคลี่คลายคดีความที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกชาวบ้านตาดำๆที่อาศัยอยู่ในเขตของเมืองชายแดนอย่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถึงกรานั้นพระราชาโอรสกะยังซองเป็นห่วงและรู้สึกไม่วางพระทัยในสถานการณ์ที่พร้อมจะราบานปลายได้อยู่เสมอที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกกังวลพระทัยเช่นนี้เนี่ยแต่นี่ก็เป็นพระพระองค์ทรงทราบข้อมูลเบื้องลึกว่าหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการพิมมหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้เนี่ย ยังคงลอยนวลอยู่ oh. อีกทั้งบุคคลผู้นี้ยังเป็นถึงเสนาบดีที่รับใช้ใกร้รชิพ ร, ราชาหรือพระราชาบิดาของพระองค์เองอีกด้วยแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือพระราชอำนาจที่พระองค์ส่วนได้รับมอบหมายมา oh. กอบกับพระองค์ก็ได้นี่นะซอ <laughs> งเรื่องนี้ก็ส่วนกลางไปแล้วนี่นะ แต่เองพระจึงทรงเวนวักงานในส่วนนี้ไว้ก่อนเมื่อพระราชโอรสทรงตรวจและก็เครียงงานเอกสารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วพวะเราเราก็ได้เสด็จเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงโดยมีท่านมหาเสนาบดีเป็นหัวหน้ากองกําลังรักษาในการเสด็จเดินทางกลับของพระราชโอรสด้วย เมื่อเสด็จไปถึงเมืองหลวงแล้วหลวงก็ไม่ทรงรอจ้ารีบเสด็จไปเข้าฟ้าพระราชาหรือพระราชบิวิดาของหลวงทันทีพร้อมก็ได้ถวายรายงานและก็กราบทูลความดีความชอบท่านมหาเสนาบดีให้พระราชาทรงทราบเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องราวต่างๆจากพระราชโอารสแล้วพระราชาก็ทสงรู้สึกชื่นชม และเล็งเห็นถนึงความสามารถที่หาตัวจับได้ยากของท่านมหาเสนาบดีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมชินิด ท, ที่เรียกว่า absolutely perfect แต่ในจช่นนั้นพระราชายังทรงได้เห็นถนึงความผูกพันและความจอรรักพักดีที่ท่านมหาเสนาบดีมีต่อพระราชนัรสึ่งเป็นบุชาติสุดเลิศของพระองค์อีกด้วย นเหตุนี้จึงทำให้พระราชาเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแต่งตั้งท่านมหาเสนาบดีให้เป็นนายทหารระดับแม่ทัพที่คุมกองกำลังทหารเนระดับกองทัพภาค oh. ซึ่งต่อไปภายหน้ากองทัพภาคเหล่านี้จะได้ ก, กลายเป็นกองกำลังทหารที่ขึ้นตรองต่อพระราชออรสโดยตรง แต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่ลราในตอนนั้นได้มีเสนาบดีท่านหนึ่งทำการโทนทัดทานและทักท้วงพระราชาขึ้นมาว่าการมหาเสนาบดีอายุน้อยเกินไปบ้างยังไม่มีประสบการณ์บ้างหรือมีประสบการณ์แต่ยังไม่มากพอบ้างเป็นต้น โดยจะเป็นเหตุผลที่สวยงามจริงๆพูดง่ายๆว่าเสนาบดีท่านนั้นไม่ยอมพระพระราชาทรงถูกเสนาบดีท่นนั้นทักท้วงนักเข้านักข้าระชาชนจึงยังไม่ทรงแต่งตั้งให้ท่านมหาเสนาบดีดำรงตำแหน่งแม่ทัพตามที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ไว้นี่จ ถึงกลางนั้นพรองค์กทรงพระราชทานตำแหน่งสําคัญอีกตําแหน่งหนึ่งให้กับท่านมหาเสนาบดีตอนนีน้คือตําแหน่งเสนาธิการทหารระดับกองทัพภาคซึ่งจะทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกัญจนฝั่งทิศเหนือไปหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีจะรับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหาร ระดับกองทัพภาคที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันยนฝั่งทิศเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ทหาเสนาบดีจะต้องลงมือปฏิบัตินั่นก็คือรีบศึกษางานและภารกิจต่างๆจากนายทหารรุ่นพี่โดยละเอียดในเวลาอันจำกัด วก็จะเป็นการตอนงารสั่งการกำลังพลในกองทัพหรือการวางกำลังทหารในจุดต่างๆอย่างละเอียดเป็นต้นซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับแชมป์บัพแชมป์อย่างท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นจึงจะสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆได้อย่างแตกฉานและชัดเจน oh. เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ศึกษา ง, งานและภารกิจต่างๆ จากนาทหารกเริ่อพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปท่านเข้าใจยุทธศาสตร์ต่งตางๆในแต่ละพื้นที่อย่างแจ่มชัดและทะลุโปร่งโปรโงอย่างสุดๆเลยเมื่อท่ามหาเสนาบดีได้เข้าใจจุดยุทธศาสตร์ต่งตางๆในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วท่านก็ได้เดินทางออกไปตรวจเยี่ยมค่ายหทหารเพื่อทําความรู้จักกับนายทหารและผู้ตายของข้าบัญชา ในหน่วยต่างๆทุกพื้นที่ถึงการเดินทางไปในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละค่ายนั้นท่านมหาเสนาบริกาจะเดินทางไปที่ตัวของท่านเองเลยนจะจ๊ะและในแต่ละค่ายเนี่ยท่านมหาเสนาบริกาจะใช้เวลาทำความรู้จักกับในทหารและพุทธายังข้าบัญชายอย่างใกล้ชิดที่ท่านดังทำเช่นนี้เนี่ยทั้งนี้ก็เป็นพระ มหาเสนาบดีต้องการที่จะคัดเลือกในทหารที่จะมาทํางานในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับตัวท่านโดยเฉพาะซึ<อ>่งหน่วยงานนี้ถือเป็นหน่วยช้อก <c oughs> อเฉพาะกิจ <c oughs> ที่มีกวามสำคัญระดับสุดยอดหรือสุดข้อ ย, ยกกาลังสอง <c oughs> นี่นะ <c oughs> ไปตรวจเทคทุกแห่งเลยเนาะเรื <c oughs> ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในทหารตั๋มหาเสนาบดีนี้ ถือเป็นไายล่างในทหารทุกท่านที่จะได้กระทบหลายคนดังอย่างกระไรชิด<า>ที่ครูวิหญ่กลาเช่นนี้นี่หาได้กราเกินจริงไห ม, ไมเพราะที่ความสามารถและผลงานนั้นโดดเด่นที่มาพร้อมกับกิตติศัพท์อันดีงามท่านมหาเสนาบดีจนได้เป็นถึงพระสหายพระราชรอรรณนี่เองยิ่งทําให้ท่านมหาเสนาบดีเป็นนายทหาร รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในระดับสุดตา <Wow. S 1> แต่ัย่งางไรก็ตามท่านมหาเสนาบดีก็ไม่ได้ถือตัวตรงกันข้ามสนใจความเป็นกันเองกับลูกน้องท่านทุกคนเลยแต่ถ้าหากตท่านกำลังอยู่ในะหว่างการปฏิบัติที่ท่านก็จะเฉียบขาดชัดเจนแต่เหตุเองยังทำให้ในทหารทั้งหลายทั้งคารบและยำเกรงในตัวท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากเลย ในขณะที่ท่ามหาเสนาบดีกำลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมในทหารในแต่ละพื้นที่อยู่นั้นทหารจันเพราว่าในพื้นที่รเราแว้งนั้นมีวัดตั้งอยู่ด้วยความที่ท่านเป็นคนรักบุญแล้วก็มีพื้นฐานจิตใจดีมีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างมากได้เหตุนี้เองจึงทำให้ท่านไม่เกิดพระราช ที่จะไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นอยู่เส ม, มอส<า>และแต่ครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีไปกราบนมัสการพระเถระตามวัดต่างๆหั้นท่านก็จะพาลูกน้องในทหารในค่ายที่อยู่ใกล้ใกลบริเวณนั้นไปรับบุญทาความสะอาดและปัดกวาดเสนาสะนะในวัดวังอารามต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเหล่านั้นอยู่เป็นประจําเลย และท่านเห็นว่าในทหารคนไหนหน่วยก้านดีค <Yeah. S 1> ือระหว่างปัดกวาดเสนาสนะเนี่ยนน <Yeah. S 1> ท่านก็นจะสังเกตเ <Yeah. S 1> ขไหนหน่วยก้านดี <Yeah. S 1> ท่านก็นจะดึงตัวในทหารคนนั้นมาบรรจุอยู่หน่วยหน่วยชวยกอก oh. รับพาะกิจของท่านโดย oh. ในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีเนี่ย <Yeah. S 1> กําลังทําการกรวบรวมแล้วก็คัดในทหาร ทีมีหน่วยกา้านดีเข้าสู่ห น, ห, หน่วยเฉพาะกิจของท่านอยู่นั้นในเวลาเดียวกันท่านมหาเสนาบดีก็ได้ศึกษายุทิศาสตร์การออรรและกลยุทธ์ต่างๆจนเชี่ยวชาญชํนานาญอย่างสุดๆเมื่อท่านมหาเสนาบดีสามารถรวบรวมในทหารที่มีหน่วยกา้านดีที่มีความสามารถในด้านต่งางๆเปนด้านการทำแผนที่และการสํารวจ ด้านการสื่อสารดาการประสานงานด้านการเจาะหาข้อมูลหาข่าวด้านการกรวบรวมกําลังคนหรือด้านการวางแผนต่างๆเป็นต้นเมื่อเข้าโูนหน่วยวเฉพาะกิจเฉพาะเขตถึงทําเปทีเรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้ทําการฝึกในทหารหน่วยเฉพาะกิจชุดพิเศษเหล่านั้นให้มีความเชี่ยวชาญในยุทธศาสตร์มากขึ้นไปกว่าเดิมอีก โดยท่านมหาเสนาบดีจะทําการฝึกพวกในทหารในหน่วยเฉกอต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นอย่างเข้มข้นจะเป็นประจําด้วยถึงแม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะฝึกพวกนทหารหน่วยเฉกรชุดพิเศษอย่างหนักแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่นายทหารหน่วยเฉากอทุกคนต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมหาเสนาบดี อีกทั้งนายทหารทุกคนในหน่วยเฉพาะกิจก็ยังรู้สึกทึ่งและเขารับในความสามารถธรรมาเสนาบดีที่เป็นทั้งประหุโสดรู้รอบรู้ลึกและรู้จริงในแบบชนิดที่ถามว่าชัดไหมก็จะตอบอย่างเสียงดังฟังชัดว่าชัดเป๊ะในทุกเรื่องแล้วมานำประสบการณ์ตรองจากการเป็นหัวหน้าทีม มาประกอบแบบหัวใจนักเรงเนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> จึงทำให้ทหารเสนาบดีมีความสามารถในการควบคุมและดูแลทหารระดับหัวกะทิที่เก่งๆได้อย่างสบายชีนี้ที่เรียกว่าเอาจนอยู่หมัดเลย <Okay. S 1> ในใจทหารเสนาบดีจะทำการฝึกซ้อมในทหารต่างๆจะเป็นประจำแล้วท่านยังได้ปรับปรุงวิธีการและระบบการระสางานของหน่วยงานทหารในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเซมใหม่ ได้กําหนดให้หน่วยเฉพาะกิจท่านเป็นการหลักในการดำเนินการในหน่วยงานทหารทั้งหมดซึในหน่วยงานเฉพาะกิจงท่ามหาเสนาบดีนี้เนี่ยตัวท่านเองก็จะรู้จักสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องการโดนปลอมแปลงคําสั่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยคนทสมบัติที่สุดยอดนี้เองจริงทําให้หน่วยเฉพาะกิจนมหาเสนาบดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการสอดแนมในแกว้นกัรจนฝั่งทิศเหนือในเวลาต่อมานี่นะจ๊ะและมือนหน่วยเฉพาะกิจติดแฝงตัวอยู่ในแกล้งกัรจนฝั่งทิศเหนือได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารอะไรมาข้อมูลทักอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ท่านมหาเสนาบดี ถึงธรรมารเตนะประจะทําการส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังเมืองหลวงในทันทีแลังจากการที่ธรรมารเตนาบดีได้ลงไป่ตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่และได้เข้าไปกราบนมันสการพระเถระที่วัดต่างๆอยู่เป็นประจํานี้เองจึงทําให้ตัวท่านได้ไปรู้จักกับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปซึ่งพระเถระผู้ใหญ่แต่ละรูปก็ให้ความเมตตา เอนโดตั น, นมหาเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งแต่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระเทระผู้ใหญ่แต่ละโลกได้มองเห็นเรื่องการให้ความเคารพในพระรัตนตรยัยและความตั้งใจในการทํางานอย่างจริงจังของท่านมหาเสนาบดีหรือพูดง่ายๆคือคนจริงย่อมรู้จักคนจริง mm. นี่เนา <Okay. S 1> สเซมพับเทระผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เคยเป็นนายทหารระดับสูง อปผ่าการศึกสงครามาอย่างโชคโชนแล้วไประดับแชมป์วับแชมป์รุ่นเก่ามาก่อน เ, ออเจอพระเถระแล้วนะออแล้วเมื่อเวลาบ้านปรายชีวิตของท่านมาถึงในทหารระดับสูงเหล่านั้นก็จะออกโบวด เ, ออเห็นไหมเห็นไหมคุณบนแก่ยุคนั้นก็จะออกบวชเออพื่อไทยบาปและสร้างบุญเพื่ออุทิศบุญเหล่านั้นส่งไปให้กับเราข้าสิกขา ที่ผมตอนนี้นเคยเรบราฆ่าฟันกันมาเพราะทำไมวิ่เขาเขาก็วี่เราพอะวิไปวิ่งมาก็เลยเจออีกวิหนึ่งมีบากกรรมนี่แหละจึงต้องมาบวชเพื่อไถ่บาปเพือ่อสร้างบุญเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศนั้นให้เหล่าศัตรูนี่เลยจา้าชาวพุทธกัพกจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกับตนเองเพื่อจะได้พ้นอบอายอีกด้วย สร้างหนทางสว่างให้กับตนเองเห็นไหมจ๊ะนี่เนาะตำแหน่งทุกตำแหน่งเนะี่ยก็มีเอาไว้เพื่อสร้างบา ร, รมีนี่สําคัญนะเพรา ะ, ร ะ, ระเรเกษียรแล้วก็คือตาแก่ยาแก่คนหนึ่งเนาะจริงนะเราจะเป็นแค่าตาแก่ยาแก่คนหนึ่งหรือรรเราเกษียรแล้วเรานึกปรืมในวันเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกตำแหน่งเป็นไปเพื่อการสร้างบา ร, รมีนี่ไง นี่นจ๊ะสร้างคนดีที่โลกต้องการปกป้องผ่องแผยพุทธศาสนาสืบท่ายุพระศาสนา์อะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่นะจ๊ะถ้าครูแก้วเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับมวลมนุษยชาติทุกคนในโลกโดยเริ่มต้นที่นักเรียนก่อนนักเรียนคนแรกคือนักเรียนในกระจกเออนี่นะ ใครเอ่ยนักเรียนในกระจกเนาะอ๋อตัวเองนะตัวเองต้องเห็นตัวเองนะอยู่ในตัวเองเพราะนั้นตัวเองนะตัวเองต้องฟังให้ดีนะตัวเองต้องหลับตาเห็นตัวเองนะอยู่ในตัวของตัวเองนะจะพิเว่าตัวเองที่อยู่ในตัวของตัวเองมีลักษณะหน้าตาเหมือนที่อยู่ในกระจกไหมเพราะนั้นนักเรียนคนแรกคืออ๋ออ่านี่นะจ๊ะตัวเองเนี่ยคนแรก คนถัดไปก็นัเรียนในโรงเรียนคนถัดไปก็นอกโรงเรียนถัดไปก็ทุกคนทุกแห่งนี่สาคัญสาคัญมากเลยลอกใบนี้จะเป็นสันทิสุขได้จากผู้ที่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีไอ้ด้้นแก้วนี่เนะยครูกแก้วอ๋อมีบารมีมากบวชเสร็จก็เป็นพระครูเลย นี่กว่าพระเถรซจะเป็นพระครูได้หลายปีแล้วที่ควรที่พระเทเรซผู้ใหญ่เหล่านั้นเคยเป็นนทหารระดับแชมป์ออฟแชมป์อดุนเก่าเมา่ก่อนนี่เองจึงเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่พระเถรซผู้ใหญ่เหล่านั้นจะมีวิชาอาคม<อ>ที่ช่วยในเรื่องการรอบอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเช่นทําให้ผิวหนังมีภูมิต้านทานอเออ ผมท่านทานเรียกว่าชาชาตราวุธทุกอย่างนี่ไม่ราคาเครืองยังมีวิชาชาตรีด้วยวิชาชาตรีคือไม่เจ็บใน ไ, ไงบางคนนึกของกบาลแต่โดนแต่จเจ็บโดนตีเบาหัวโหโนอางนี้นี่นะแต่ของกบาลชาตรีเนื่องจากไม่เข้ายังไม่เจ็บ นี่เนาะเซงพระเถราพระพิยาล้วจะมีวิชาความที่ช่วยในเรื่องการลบอยู่อย่างเต็มเปี่ยมว่า<ม>จะเป็นวิชาอยู่ยงคงกระพันหรือวิชาคาถาคมต่างๆ ท, ท, ที่ใช้ในสงค์ราเป็นต้นเช่ oh, oh, oh. นหายตัวชู อ, อืดใจ oh. เออคือต้องการลมหายใจนะ oh. อัดลมหายใจนะระหว่างที่ยังอัดลมหายใจอยู่นะค oh. าสึกมองไม่เห็น oh. แต่ว่าก็กำลังยู่ชคราวนะ oh. พอเขือกมาก็อ้าวนี่นะ <c oughs> ก็ต้องอัดเข้าไปใหม่แล้วเมื่อพระเถระผู้ใหญ่จึงเป็นอดีตแม่ทัพในกองเหล่านั้นได้เห็นท่านมหาเสนาบดีซึ่งเป็นนายทหารนมผู้มีความมุ่งมัน่นเป็นคนดีมีศีลธรรมเช่นนั้นพระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาคาถาความต่าง ๆ, ๆเหล่านั้น อ, อ, อให้กับท่านมหาเสนาบดี ปฏิทมหาเสนาบรีจะได้อาวิชาคมเหล่านั้นไปรับใช้บ้านเมืองและดูแลประชาชนภายในแค้์ให้สงบสุขอย่างเช่นฝังเหล็กไหลเนี่นะแต่ไม่ต้องกรีดเนื้อนะวางบนมือนี่ยนะถ้าดึงจึ๊บๆมันก็จมหายก็ไปในตัวเลยเออมันต้องอย่างงี้เหล็กไหลไม่ต้องไปตัดไปถอนรากถอนโคนเลย <laughs> <laughs> <laughs> นี่ <laughs> แล้ววิธีคว้างข้ามจังหวัดรู้พี่ใหญ่ก็เห็นนะจะไม่มีกระรครอบด้วยก็กว้างอะไกระไรเป็นอากาศเนี่ยว่าวันลงขึ้นมีคนได้ข้ามจังหวัดมาก็ความทําทาแล้วก็เหล็กอะไเมื่อคืนก็ลองวิชากัน แร้วไม่ก็คว้างไปตัดสาคอของอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็เอามายืนยันกัน<อ>ก็ตั้งานแค่นี้แต่กรุวิยาต้องการมากกว่า น, นั้นเอามาหลองินและเมื่อพระเทระผู้ใหญ่กรุปหนึ่งได้เห็นในความมุ่งมั่นดังใจในการที่จะดูแลรักษาแ่นแคว้นของท่านมหาเสนาบุีแล้ว พระเทหละผู้ใหญ่รูปนี้ก็ได้เมตตาถ่ายทอดวิชาอาคมที่ใช้ในด้านการลบขั้นสุดยอดใกัท่านมหาเสนาบดีอย่างเต็มที่แบบไม่มีกักเรียกว่าสอนในแบบหมดไส้หมดพุงกันเลยทีเดียวอีกทัพระเทหละผู้ใหญ่รูปนี้ยังได้แนะนําไปท่านมหาเสนาบดีไปพบกันในทหารนอกราชการ ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาคาถ า, าคมทางด้านอื่นๆอีกด้วยซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็ได้ตั้งใจฝึกฝน <No. S 1> เริ่มเรียนวิชาคมต่างๆด้วยความสน อ, อกสนใจและใส่ใจเป็นอย่างมาก <c oughs> ในระหว่างที่ท่ามหาเสนาบดีกําลังฝึกฝนเริ่มเรียนวิชาคาถ า, าคมต่างๆอยู่นั้นท่านมหาเสนาบดีก็ได้พัฒนางาน ด้านห่ังตาภในกองทัพภาคที่ตัวท่านสังกัดอยู่ควบคู่ไปด้วยกันจะมาเสนาบดีมีความมุ่งมั่นดังใจที่จะสร้างความเข้มแข็งและความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นกับกองทัพให้ได้แต่เมื่อทางท่านแม่ทัพภาคได้เห็นท่านมหาเสนาบดีพัฒนางานงต่างๆของกองทัพแล้วท่านแม่ทัพภาคกลับมีความรู้สึกงุดเย็ดงุ่น ง, านง่านฟุ้งซ่านลำคานใจ เอาว่าทำไมทำไมธรรมหาเสนาบดีจะต้องทำโน่นทำนี่เยอะแย ะ, ยะมากมายด้วย <Yeah. S 1> สิ่งของําเดินที่มีอยู่มันก็ดีอยู่แล้ว <Okay. S 1> หรือพูดง่ายๆว่าแม่ทัพภาคท่านนี้รู้สึกว่า <Yeah. S 1> ท่านมหาเสนาบดีเนี่ยข ย, ยนันข ย, ยันเกินซ <Yeah. S 1> ึ่งธรรมหาเสนาบดีก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่่คยพึงพอใจของแมทัพภาคท่านนี้ สำหรับสายเหตุที่ทาให้แม่ทัภาคท่านนี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับความขยันของท่านมหาเสนาบดีนั้นเป็นี้ก็เป็นเพราะแม่ทัภาคท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่มีปริมาณความขยันอยู่ในระดับที่สูงน้อยหรือมีเส่งกระามความขยันนอนราบไปกับพื้น จะเป็นคนได้ขี่คลานเนาะได้เห็นได้เองแม่ทัพภาคแต่นี้จริงไม่ค่อยได้ทำงานสักเท่าไหร่อนอกจากตัวท่านจะไม่ค่อยได้ทำงานทำการแล้วเนี่ยตัวท่านยังรู้สึกขัดอกขัดใจเป็นอย่างมากไม่ได้เห็นคนที่ขยนันขยันทางานเกินหน้าเกินตาตัวท่านอีกด้วยอเออเนี๋ยคนที่ เร่กาับความนานาราบเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นะเห็นใค ร, รขยันเลยจะขาดอกขาดใจแต่ได้วความที่ท่านแม่ทัพภาคท่านนี้เนี่ยมีเส้นสายดีก็ได้รับการหนุนหลังหรือสนับสนุนจากเสนาบดีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวงได้เหตุดังกล่าวนี้เองจึงทําให้แม่ทัพภาคท่านนี้เย ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่เขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้ซ oh. ึ่งนับตั้งแต่วันที่ท่านแม่ทัพภาคท่านนี้ได้มา ป, ประจำการอยู่ที่เขตหัวเมืองแห่งนี้เนะี่ยกองกําลังทหารที่ประจำการอยู่ภายในเขตหัวเมืองชายแดน oh. ก็เกิดความอ่อนแอและขาดาระเบียฟินัยมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm. จนถึงขั้นมีการออกไปหาลำไผ่พิเศษ หรือหาอะไรได้พิเศษแต่การรับแจ้งปลอมตัวเป็นจรเพื่อออกมาปล้นพูกชาวบ้านแต่พอท่านมหาเสนาบดีได้มาประจำการอยู่ที่เขตหุ่เมืองชายแดนแห่งนี้แล้วตัวท่านก็ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกองทัพที่ประจำการอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นประจามมหาเสนาบดีได้ทราบความจริงเช่นนั้น แต่ท่านก็เกิดความรู้สึกปริวิตกและเป็นกังวลกันในใจว่าณนะช่วงเวลาที่กองกําลังทหารในเขตถ ม, มุึงชายแดนกําลังตกอยู่ในภาวะอ่อนแอและเปราะบางเช่นนี้แต่หากทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ mm hmm. เกิดคิดรุกรานและยกทัพเข้ามาบุกแล้วแล้วก็คือบุกในตอนนี้เลจะกองกําลังทหารในเขตถมบึงชายแดนแห่งนี้ ก็คงไม่อาจจะรับมือหรือต่อสู้กับกองทัพของฝั่งฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแน่นอนพระธรรมมหาเสนาบดีเล็งเห็นหนึ่งภายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกองทัพแล้วทันมหาเสนาบดีจึงไม่รอาชา้าผลีตพัฒนาระบบต่างๆภายในกองทัพให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นระเบียบมากขึ้นในทนันที ว่าจะเป็นจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ขึ้นกับท่านโดยตรงและฝึกซ้อมกองกําลังทหารในกองทัพให้เข้มแข็งและพร้อมรบอยู่เสมอเป็นต้นแล้วเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ทราบว่าท่านแม่ทัพภาคเริ่มรู้สึกไม่พอใจในการทำงานที่ข ย, ยันกันแข็งแบบเกินหน้าเกินตาตัวท่านแม่ทัพภาคแล้วท่านมหาเสนาบดีจึงไม่อรอชา้า ได้รบไปทการชี้แจงแสดงเหตุผลเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านต่างในกองทัพให้แม่ทัพภาคท่านนี้ฟังอย่างละเอียดและด้วยความที่ทุกๆเหตุผลทุกๆถ้อยคำที่ท่านมหาเสนาบดีได้กล่าวกับท่านแม่ทัพภาคล้วนขลันออกมาจากใจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกองทัพอย่างแท้จริงแต่เหตุการกล่าวนี้เองจึงทาให้ท่านแม่ทัพภาคท่านนี้ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะ ย, ยกขึ้นมาโต้แย้งท่านมหาเสนาบดีได้เลยอพาเป็นเชนี้ท่านมทัพภาคจึงจำใจและจำยอมที่จะต้องอนุมัติทุกๆสิ่งที่ท่านมหาเสนาบดีได้นำเสนอมานั่นเองและด้วยความขยันแข็งแข็งมุ่งมัน่นแล้วจึงอาจารย์ในการพัฒนา ง, ง า, นานด้านต่างๆภายในรองทัพ ของท่านมหาเสนาบดีนี่เองจึงสรงว่าทําใ้แม่ทมาพภาคเทนี้อดอรอนทนไม่ได้ตั้งเรียบทําตัวให้อ a l e r และขยันขันแ ข, ข็งตามท่านมหาเสนาบดีไปด้วยส่วนสาเหตุที่ทําให้แม่ทาพภาคเทนี้ตั้งเรียบทําตัวให้อลิ e r นั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะแม่ทาพภาคเทนี้ก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะถูกเลือยขาเขีย แล้วพูดในชัดๆก็คือตัวท่านกลัวว่าตำแหน่งของตัวท่านอาจจะหลุดล อ, อกไปจากท่านมหาเสนาบดีซึ่งไม่ได้สทหารรุ่นน้องที่มีไฟกระแรงชนิดแรงดีไม่มีตกอีกทั้งยังเป็นนายทหารที่มีพาเวอร์และมีอนุภาพที่ไม่ธรรมดาด้วยเพราะมีดีกรีไปถึงนายทหารคสนสนิทของพระราชโอรสถเลยทีเดียว ในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังพัฒนากองกำลังทหารในกองทัพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นั้นกรรมาิกามีคาสั่งโวนจากทางส่วนกลางเาเรียกจัวท่านมหาเสนาบดีให้กลับเข้าไปยังวังหลวงอีกครั้งหนึ่งเึ่งการถูกเรียกตัวกลับไปยังวังหลวงในครั้งนี้เนี่ยท่านมหาเสนาบดีก็ได้รับมอบหมายภารกิจที่สาคัญ จากนสทหารชั้นผู้ใหญ่นั่นก็คือการทำหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรสในระหว่างการเสด็จเดินทางไปเจริญสำ ม, มันาไมตรีกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือะก็มีเหตุผลห <c oughs> นอสำหรับจะขางไอเดียหรือแนวคิดเรื่องการสร่งพระราชโอรสให้ไปเป็นอรรชทูตเดินทางไปเจริญสำ ม, มันาไมตรีกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือ ใจทมหาเสนาบดีทำหน้าที่คุ้มกันดูแลความปลอดภัยนั้นแต่นี้ก็เป็นไอเดียของเสนาบดีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยทักท้วงหรือยแย้งไม่ให้ท่านมหาเสนาบดีได้มารับตาแหน่งแม่ทัพที่คุมกําลังทหารในเมืองหลวงนั่นเองโดเยเสนาบดีผู้ใหญ่ท่านนี้ ไ, ได้เหตุผลสนับสนุนไอเดียของตัวเองอย่างสวยรู้ว่า การสรงพระราชโอรสเป็นพระราชทูตไปเจริญสัมพนมันธมตรีกับแคว้นการชนฝั่งที่เหนือนั้นถือได้ว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดอีกทั้งยังจะทำให้สัมพนมันธมตรีระหว่างแคว้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายและเมื่อทั้งสองแคว้นมีสัมพนมันธมตรีที่ดีต่อกันแล้วก็จะทำการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างแคว้นเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงเพื่อเตรียมปฏิบัติการภารกิจพิเศษสำนัญนั้ น, นมหาเสนาบดีก็ได้เรียกประชุมเหล่าบรรดาขุนพลในทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลงตัวท่านเพื่อสั่งการและมอบหมายงานให้ในายทหารแต่ละคนคอยควบคุมดูแลกองกําลังทหารในแต่างๆในเขตหัวเมืองที่ตัวท่านประจําการอยู่ ซึ่งก็คือเขตขงเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือจากนั้นท่านมหาเสนาบดีก็ได้จัดวางระบบในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวผูติตัวท่านจะได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเขตหองเมืองแห่งนี้ซึ่งก็คือเขตเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือ อยู่ตลอดเวล า, ว า, ามหาเสนาบดีได้จัดวางระบบการควบคุมดูแลกองกําลังทหารและการติดต่อประสานงานทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมหาเสนาบดีก็ไม่รอช้าที่รีบออกเดินทางไปยังเมืองหลวงของแคว้นในทันทีส่วนว่าเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางมาถึงที่เมืองหลวงแคว้นแล้วเหตุ ก, การณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร เราคงติดตามใ น, นตอนต่อไปเนาะ